ข้อขอระดับของสมาธิในชั้นอัตถกถาตั้นจัดแยกสมาธิออกเป็น3ระดับคือ 1. ขนิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิขั้นต้นซึ่งคนทั่วไปอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันให้ได้ผลดีและจะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนาก็ได้ ระดับที่สองอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดหรือสมาธิจวนจะแน่วแน่เป็นสมาธิขั้นระงับนิวรณได้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌานหรือสมาธิในบุพภาคแห่งอัปปนาสมาธิระดับที่สอัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิที่แนบสนิทเป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลาย ถือว่าเป็นผลสำเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิสมาธิอย่างที่สองและ3 ม, มีกล่าวถึงบ่อยๆในคําอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานและมีที่กำหนดค่อนข้างชัดเจนคืออุปจาระสมาธิเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นโดยละนิวรัทั้ง5ได้ถ้ามองในแง่การกำหนดอารมณ์กรรมฐานก็เป็นช่วงที่เกิดปฏิภาคนิด คือเกิดภาพที่มองเห็นในใจของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจากขั้นที่เป็นภาพติดตาไปอีกขั้นหนึ่งนิมิตนั้นเป็นของเกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ปราศจากสีปราศจากมนทินสามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามปรารถนาอุปจารสมาธิเป็นสมาธิจวนเจียนจะแน่วแน่โดยสมบูรณ์ใกล้จะถึงฌาน อุปจาระสมาธินั่นแหละเป็นเมื่อชำนิชำนาญคุ้นดีแล้วก็จะแน่วแน่กลายเป็นอัปปนาสมาธิเป็นองค์แห่งฌานต่อไปในอุปจาระสมาธินิวร์ก็ถูกละได้แล้วองค์ฌานก็เริ่มเกิดคล้ายกับอัปปนาสมาธิมีข้อแตกต่างเพียงว่าองค์ฌานยังไม่มีกำลังดีพอได้นิมิตพักหนึ่งก็ตกผวังพักหนึ่ง ขึ้นๆตกๆเหมือนเด็กตั้งไขเขาพยุงลุกก็ค่อยล้มส่วนในอัปปนาสมาธิองค์ฌานทั้งหลายมีกําลังดีแล้วจิตตัดภวังแล้วคราวเดียวก็ตั้งอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเหมือนผู้ใหญ่ที่แข็งแรงลุกจากที่นั่งแล้วก็ยืนเดินทํางานได้ทั้งวันแต่สมาธิอย่างแรกคือขณิกะสมาธิดูเหมือนจะไม่มีเครื่องกําหนดหมายที่ชัดเจน จึงน่าจะพิจารณาพอให้เห็นเขารูปว่าแก่ไหนเพียงไรคมภีปรามัตต์มัญชุษากล่าวว่ามูลสมาธิและบริกรรมสมาธิที่กล่าวถึงในคำภีวิสุทธิมักเป็นขณนิกะสมาธิมูลสมาธิคือสมาธิขั้นมูลสมาธิเบื้องต้นหรือสมาธิต้นเขาบริกรรมสมาธิคือสมาธิขั้นตรเตรียม หรือเริ่มลงมือมูระสมาธิที่ว่าเป็นคณิกะสมาธินั้นท่านยกตัวอย่างจากบาลีในสังคิตสูตรอังกุตระนิกายอัตการนิบาทมาแสดงดังนี้ 1. เพราะฉะนั้นแหลภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายใน และทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลจักไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้ภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล2สองเมื่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีแล้วในภายในและทาทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้เมื่อนั้น เธอพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเจริญจากทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์ทาให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมจัดเจนทําให้สําเร็จได้เป็นอย่างดีภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้และสมเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นทำอันเธอได้เจริญ ได้กระทาให้มากอย่างนี้แล้วเมื่อ น, นั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้อันมีทั้งวิตกทั้งวิจารบ้างอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างอันไม่มีวิตกมีแต่วิจารบ้างอันมีปีติบ้างอันไม่มีปีติบ้างอันประกอบด้วยความฉ่ำชื่นบ้างอันประกอบด้วยอุเบกขาบ้างท่านอธิบายว่าอาการที่จิตพอแค่มีอารมณ์หนึ่งเดียวลงได โดยภาวะที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ภายในตามความในข้อหนึ่งที่ว่าจิตตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีในภายในบาปอากุศลธรรมไม่อาจครอบงำได้ภาวะจิตขั้นนี้แหละเป็นมระสมาธิความต่อไปในข้อที่สองเป็นขั้นเจริญคือพัฒนามระสมาธินั้นให้มั่นคงอยู่ตัวยิ่งขึ้นด้วยวิธีเจริญเมตตาท่านเปรียบมูลสมาธิ เหมือนกับไฟที่เกิดขึ้นจากการสีไม้สีไฟหรือตีเหล็กไฟส่วนการพัฒนามรลสมาธินั้นด้วยการเจริญเมตตาเป็นต้นก็เหมือนกับเอาเชื้อไฟมาต่อให้ไฟนั้นลุกไหม้ต่อไปได้อีกส่วนข้อที่3เป็นขั้นทําให้โมรลสมาธิหรือคณนิกะสมาธินั้นเจริญขึ้นไปจนกลายเป็นอปปนาสมาธิในขั้นชานด้วยพิธีกาหนดอารมณ์อื่นๆเช่นกสินเป็นต้น ตัวอย่างอื่นอีกเช่นในทเวทาวิต ก, กสูตรมัชิมานิกายมูลปันนาที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงการบำเพ็ญเพียรของพระองค์เองว่าหนึ่งภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมุ่งเด็ดเดี่ยวอยู่มีเนเขมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเนคขมวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แลวิตกชนิดนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายช่วยเพิ่มภูนปัญญาไม่ส่งเสริมความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพาน ถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งคืนเราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้นเลยถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้นเลยก็แต่ว่าเมื่อเราเฝ้าตรึกตรองอยู่เนิ่นนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย เมื่อกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็จะห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั่นแลจึงดํารงจิตไว้ในภายในทําให้อยู่ตัวสงบทําให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหมายใจว่าจิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านไปเลยดังนี้ 2. ภิพิุทั้งหลายความเพียรเราก็ได้เร่งระดมแล้วไม่ย่อย่อนสติก็กำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียว 3. ภิพิุทั้งหลายเรานั่นแลสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุแล้วซึ่งประงมาชานท่านอธิบายว่าความในข้อหนึ่งว่าดำรงจิตไว้ในภายในทำให้อยู่ตัวสงบทำให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นก็ดีความในข้อสองว่าจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวก็ดีแสดงถึงมูลสมาธิคือ ขณิกะสมาธิอันมีมาก่อนหน้าที่จะเกิดอั ป, ปนาสมาธิในขั้นฌานตามความในข้อที่สส่วนบริกรรมสมาธิก็มีตัวอย่างเช่นผู้ตีฝึกที่พโสดออกจากฌานแล้วเอาจิตกำหนดเสียงต่างต่างตั้งแต่เสียงที่ดังมากแต่ไกลเช่นเสียงเสือสิงค์ครามเสียงรถบรรทุกหรือเสียงตแตรรถเป็นต้นและกาหนดเสียงที่เบาผ่อนลงมา เช่นเสียงกลองเสียงระฆังเสียงดนตรีเสียงสวดมนต์เสียงคนคุยกันเสียงนกเสียงลมเสียงจิ้งโจกเสียงใบไม้เป็นต้นตามลำดับเสียงที่คนจิตใจปกติพอได้ยินแต่คนที่มีบริกรรมสมาธิหรือคณิกะสมาธินี้ได้ยินจะดังชัดเจนกว่าเป็นอันมากเรื่องคณิกะสมาธิพึงพิจารณาทำความเข้าใจตามในยยที่กล่าวมานี้ คำพีบางแห่งกล่าวถึงวิปัสนาสมาธิเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งแทรกอยู่ระหว่างขณิกะสมาธิกับอุปจาระสมาธิเพ่งทราบว่าวิปัสนาสมาธินั้นก็คือขณิกะสมาธิที่นำไปใช้ในการเจริญวิปัสสนานั่นเองและมีความประณีตยิ่งขึ้นไปเพราะการปฏิบัติ